การขจัดอุปสรรคนักระท่อมในแซงเยชิมฟูท่านหญิงโซเกียวพระราชธิดาแห่งคาเชนได้ส่งอ้อนวอนขอแด่ท่านครูปัตมรมสัมภาวะว่าข้าแต่ท่านครูผู้ประเสริฐโปรดเมตตามหม่อมฉันด้วย แม้ว่าท่านจะได้แสดงให้คนโง่แคล่ว เ, เช่นหม่อมฉันเห็นว่าโลกทั้งหมดรวมทั้งสรรพชีวิตทั้งปวงล้วนคือธรรมกายแต่การปฏิบัติธรรมของหม่อมชันก็ยังคงเฉยเฉยเป็นการเข้าใจแค่เพียงสัญญาเนื่องเพราะหม่อมชันยังต้องเกี่ยวข้องวุ่นวายอยู่กับพฤติกรรมการรับรู้อันลวงหลอกมากมายหม่อมชัน จึงอยากจะขอความกรุณาจากท่านช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้หม่อมฉันสามารถเกี่ยวข้องและกระทําสิ่งต่างๆบนธรรมชาติดั้งเดิมแห่งธรรมตาด้วยเถอสิ่งสำคัญในการภาวนา ท่านคุรุปัตมะสัมภาวะกล่าวตอบว่าโซเกีย so วเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเธอควรจะตั้งมั่นอยู่บนสิ่งสำคัญสามอย่างอย่าเมื่อปฏิบัติภาวนาตามคำสอนแห่งมนตราศักดิ์สิทธิ์แห่งมหายานคือท่านั่งจุดสำคัญของกายการมอง จุดสำคัญของดวงตาและการพักและผ่อนคลายจุดสำคัญของจิตใจ 1. ท่านั่งจงนั่งในที่สงบวิเวกด้วยท่าขัดสมาธิบนที่นั่งที่สบายวางแขนทั้งสองลงให้สมดุลกัน นั่งกายตรงหลังตรงและเมื่อเธอสามารถคงอยู่ในท่าเดิมเช่นนี้ได้สมาธิของเธอจะบังเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่หากปราศจากท่าทางเช่นนี้สมาธิย่อมยากจะบังเกิดขึ้น 2. การมอง จงอย่าได้หลับตากระพริบตาหรือเหลือบตาไปมาให้มองตรงไปด้านหน้าโดยไม่วอกแวกเมื่อสายตาและความรู้สึกของเธอประสานกันเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวสมาธิจะบังเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหากปราศจากการมองที่ถูกต้องสมาธิย่อมเกิดได้ยาก าการวางใจอย่าปล่อยให้สภาวะธรรมชาติของจิตเดิมของเธอวิ่งไปในเรื่องเดิมๆที่ผ่านมาในอดีตอย่าปล่อยให้มันมองหาไปในอนาคตอันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งอารมณ์ที่รบกวนทั้งหลายอย่าปล่อยให้มันปรุงแต่งอะไรในปัจจุบันด้วยความคิดมากมาย ด้วยการผ่อนคลายและพักจิตให้สบายอยู่ในสภาวะธรรมชาติดั้งเดิมสมาธิจะบังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่หากเธอวันไหวหรือฟุ้งไปกับอารมณ์สมาธิย่อมไม่อาจบังเกิดขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าวนี้เมื่อเธอปล่อยให้ประตูทั้งสาม คงอยู่ตามสภาพธรรมชาติเดิมของมันความคิดทั้งหยาบและละเอียดและจิตของเธอจะผ่อนคลายอยู่ในตัวของมันเองนี่เรียกว่าสมถะสมาธิหรือการพักอยู่บนความสงบเมื่อจิตของเธอไม่ถูกขวางกั้นไม่ทรงอยู่ณที่ใด และตื่นรู้อยู่ด้วยความกระจ่างแจ้งโดยตัวมันเองนี่เรียกว่าวิปัสนาสมาธิเมื่อทั้งสองประสานกันเป็นหนึ่งด้วยความใสกระจ่างแจ้งชัดนั่นเรียกว่าสมถวิปัสนาภาวนา ความเข้าใจทางปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อเธอเฝ้าเรียนรู้ความรู้สึกของเธอเองประสบการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเธอพบว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่ณที่ใดและความรู้แจ้งจะบังเกิดขึ้นเมื่อสภาพเช่นนี้ของจิตคงอยู่ด้วยความใสกระจ่างแจ้งชัด อันเป็นแก่นสำคัญของการภาวนาของเธอซึ่งสิ่งนี้จะไม่แตกต่างกันเลยกับการรู้แจ้งของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการทั้งสามมันม่ใช่การปรุงแต่งขึ้นเองโดยสัญญาจากคำแนะนำอันละเอียดด้านในของคุรุหรือเป็นผลของความฉลาดหลักแหลมของลูกศิษย์เอง มันถูกเรียกว่าการเข้าถึงซึ่งสภาพธรรมชาติอันเป็นรากฐานเมื่อเธอภาวนาอยู่เช่นนี้ประสบการณ์ทั้งสามคือความเบิกบานความกระจ่างแจ้งและสภาพอันไรซึ่งความคิดจะบังเกิดขึ้น ความรู้สึกตัวที่อิสระจากความคิดปรุงแต่งเรียกว่าสภาพอันไร้ซึ่งความคิดซึ่งมีอยู่สามอย่างคือปราศจากความคิดที่ดีหมายถึงการปราศจากการยึดติดในความเป็นผู้ภาวนาและวัตถุที่ภาวนาปราศจากความคิดที่ไม่ดีคือ การขาดช่วงของกระแสะแห่งความคิดทั้งหยาบและละเอียดปราศจากความคิดกลางกลางคือการแจ้งชัดในสภาพธรรมชาติของความตื่นรู้อันเป็นสิ่งที่มิได้อยู่เฉพาะนาที่ใดในสภาพอันไรซึ่งความคิดนี้ความใสกระจ่างแจ้งของจิตรู้ย่อมจะไม่ขาดช่วง อันเป็นรัศมีแห่งความตื่นรู้ที่ศาสตร์สง่งโดยตัวของมันเองซึ่งความกระจ่างแจ้งนี้มีอยู่สามอย่างคือความกระจ่างแจ้งที่เป็นไปเองตามธรรมชาติคือสภาพที่อิสระจากวัตถุแห่งการรับรู้ทั้งหลายความกระจ่างแจ้งดั้งเดิมซึ่งมันมิได้ปรากฏขึ้นเพียงชั่วคราว แต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เดิมความกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติอันไม่ใช่สิ่งที่ใครสร้างขึ้นความเบิกบานที่ปรากฏนั้นก็มีสี่อย่างคือความรู้สึกปติสุขคือความเป็นอิสระจากสภาพอันหนักหน่วงของการไม่ประสานกลมกลืน ความเบิกบานจากการปราศจากความคิดปรุงแต่งคือความเป็นอิสระจากความบีบคั้นของความคิดปรุงแต่งความเบิกบานจากการไรซึ่งความเป็นคู่คือความอิสระจากการยึดติดในธรรมคู่ทั้งหลายความเบิกบานเพราะความเป็นอิสระจากเหตุและปัจจัยปรุงแต่ง เมื่อประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเธอจำต้องปล่อยวางมันด้วยอุปมาสามอย่างนี้คือปล่อยวางความเบาเบิกบานนั้นเหมือนคนบ้าปล่อยวางจากความกระจ่างแจ้งเหมือนความฝันของเด็กๆปล่อยวางสภาพอันไร้ซึ่งความคิดเหมือนกับโยคีผู้รักษาวินัยของตนอย่างสมบูรณ์ หากเธอทำได้เช่นนี้เธอจะเป็นอิสระจากปัญหาทั้งหลายในการภาวนาแต่หากเธอหลงติดใจยินดีหรือหลงยึดมั่นถือมั่นในประสบการณ์ทั้งสามนี้เธอก็จะไหลไปสู่ภพทั้งสามถือหากเธอยึดติดในความเบาเบิกบานเธอจะไหลไปสู่กามภพ หากเธอยึดติดในความกระจจางแจ้งเธอจะไหลไปสู่รูปประพบหากเธอยึดติดในสภาพอันไรซึ่งความคิดเธอจะไหลไปสู่อรูปประพบแม้ว่าเธอจะคิดว่าเธอไม่ได้หลงยินดีหรือยึดติดในมันแต่เชื่อเธอเธอก็ยังคงมีความยึดติดอันละเอียดภายในหลงเหลืออยู่ ซึ่งการที่จะข้ามพ้นหลุมพรางทั้งหลายเหล่านี้ได้เธอจำต้องทำความรู้จักแจ้งชัดในสภาวะแห่งความสงบ9ก้าชั้นซึ่งเริ่มต้นด้วยความสงบแห่งสัมมาฌานทั้งสี่ที่จะมีผลช่วยขจัดความคิดตรงแต่งอันเกิดจากตัณหาทั้งหลาย 1. สัมมาฌานที่หนึ่ง เพื่อความเป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งแห่งความเป็นผู้รับรู้และสิ่งที่ถูกรับรู้และก็ยังคงมีปัญญาแยกแยะเข้าใจในวัตถุแห่งการรับรู้และการภาวนาอยู่สสัมมาชาญที่สองเพื่อความเป็นอิสระจากความคิดความเห็นและความเข้าใจแยกแยะทั้งหลาย แต่ก็ยังคงยินดีในรสแห่งความปิติสุขอันเกิดจากสมาธิ 3. สัมมาฌานที่สเพื่อบรรลุถึงสภาพจิตที่ไม่เคลื่อนไหวแต่ก็ยังอาศัยลมหายใจเข้าและออกอยู่ 4. สัมมาฌานที่สี่ จะประกอบไปด้วยความอิสระจากความคิดความเห็นทั้งปวงและมีการรับรู้ที่กระจ่างแจ้งคล่องตัวไม่สะดุดต่อไปในความสงบแห่งสัมมารอารูปฌานอีกสี่จะช่วยขจัดความคิดตรุงแต่งทั้งหลายแห่งรูปภพออกไปแต่เธอต้องแจ้งชัดว่า หาการหลงติดอยู่ในความเห็นที่ว่าปรากฏการ์ทั้งหลายล้วนเป็นดั่งเช่นอากาศอันว่างเปล่านั่นย่อมทำให้เธอไหลไปจมอยู่ในอากาศสานัญจายตนะหกการหลงติดอยู่ในความเห็นที่ว่าความรู้สึกในการรับรู้นั้น กว้างขวางไรประมาณและแผ่กระจายไปทั่วสารทิศนั่นย่อมทำให้เธอไหลไปจมอยู่ในวิญญาณัญจายตนะเจ็ดการหลงติดอยู่ในความเห็นที่ว่าการรับรู้อันกระจ่างแจ้งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ไม่หายไปไหน และไม่สามารถใช้เป็นวัตถุแห่งปัญญาได้นั่นเธอย่อมไหลไปจมอยู่ในเนวาสัญญานาสัญญายตนะ 8. การหลงติดอยู่ในความเห็นที่ว่าจิตนี้ไม่ได้มีอะไรเลยทั้งสิ้นมันไม่ได้มีอยู่และว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงนั่นย่อมทำให้เธอ ไหลไปจมอยู่ในอากิญจัญญายตนะซึ่งสภาวะทั้งหมดนี้ยังคงมีความมัวหมองอันเล็กน้อยจากความเห็นความติดใจยินดีราคะนันทิและสภาวะแห่งจิตที่ยังหลงติดอยู่ในความเป็นคู่ซึ่งสภาวะความสงบลำดับสุดท้ายคือ 9. ความสงบเย็นแห่งการหยุดของจิตจะทำให้เธอพ้นจากความเห็นที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดซึ่งมีอยู่สองแบบคือ 9.1 การหยุดที่ยังอาศัยการพิจารณาใครครวนจะช่วยหยุดวิญญาณทั้งหกที่จะเข้าไปหลงจมในวัตถุแห่งการรับรู้ของมันซึ่งวัตถุแห่งการรับรู้เหล่านั้น ยังคงมีอิทธิพลต่อเธออยู่แม้ว่าเธอจะสงบตั้งมัน่นอยู่กับลมหายใจก็ตามแต่เธอก็ยังคงถูกครอบงำอยู่ด้วยความคิดแห่งความเป็นคู่ 9.2 การหยุดโดยไม่ต้องอาศัยการพิจารณาใคร่ครวนคือการเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเธอเอง ซึ่งเป็นอุเบกขาขั้นปรมัติ์บนสภาวะแห่งความสงบเย็นทั้งเก้าขั้นนั้นสัมมาฌานทั้งสี่ถือว่าเป็นสมถะที่ทำให้เกิดวิปัสสนาและสมาธิอันเกิดจากฌานทั้งสี่นี้จะประสานกลมกลืนกับธรรมชาติดั้งเดิมภายในอย่างดี ซึ่งถือว่าสูงสุดในเหล่าโลกียะสมาธิทั้งหมดอรูปฌานสี่เป็นหลุมพรางอันอันตรายของสมาธิส่วนความสงบเย็นแห่งการหยุดนั้นเป็นสมาธิอันสันติของพวกสาวกด้วยการตระหนักรู้เท่าทันในสภาวะเหล่านี้ เธอจะสามารถจำแนกแยกแยะสมาธิในแบบต่างๆขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายในการปฏิบัติภาวนาของเธอและหลีกเลี่ยงการเฉยใช้ออกนอกทางได้ผลทางทั้งห้านั้นสรุปลงได้เป็นสามเมื่อเธอข้ามพ้นจากหลุมพรางทั้งหลายเหล่านี้และปฏิบัติภาวนาด้วยความถูกต้อง เธอจะคงอยู่ด้วยความสงบและเบิกบานแห่งความปิติสุขความกระจ่างแจ้งและสภาพแห่งการไร้ซึ่งความคิดภายหลังการภาวนาปรากฏการทั้งหลายจะปรากฏขึ้นอย่างอิสระไร้ซึ่งความเป็นตัวตนใดๆเช่นเดียวกับความฝันและภาพมายา เธอจะเข้าใจแจ้งชัดในธรรมชาติของเหตุและปัจจัยเพิ่มภูนบา ร, รมีได้อย่างเต็มเปี่ยมบรรลุถึงพลังของสมาธิและนี่จะทำให้มักควิถีแห่งการสร้างสมบุญบา ร, รมีนั้นสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปเป็นเวลานานเธอจะเห็นแจ้งตามความเป็นจริง แจ้งในธรรมแห่งการไม่อยู่ณที่ใดแจ้งในความตื่นรู้ที่มีอยู่แล้วในตัวเองอันเป็นการแจ้งชัดในธรรมชาติแท้ของตัวเธอเองซึ่งการแจ้งชัดในธรรมชาติของตัวเธอเองนั้นคือมัคควิธีแห่งการเห็นตามเป็นจริง ด้วยการมีประสบการณ์ตรงกับปรากฏการณ์ความตระหนักรู้และความว่างว่าล้วนเป็นสิ่งที่มิได้อยู่ณที่ใดและทั้งหมดล้วนคือการตื่นรู้อยู่แล้วในตัวเองเธอจะบังเกิดความแจ้งชัดในธรรมชาติเดิมแท้ที่มิได้ถูกปรุงแต่งอารมณ์รบกวนทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคจะถูกกาจัดถึงรากเหง้าของมัน การแจ้งชัดว่าเหตุและปัจจัยทั้งหลายนั้นล้วนว่างเปล่าสังสารวัตนั้นไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงนี่เรียกว่าโพธิสัตว์ภูมิที่หนึ่งซึ่งเมื่อ น, นั้นการภาวนาของเธอจะไม่แยกห่างจากพุทธภาวะและทุกๆสิ่งภายหลังจากการภาวนาจะบังเกิดขึ้นดั่งภาพมายา เมื่อพัฒนาตนให้คุ้นเคยและคงอยู่ได้อย่างมั่นคงกับสภาพเช่นนี้ไปเรื่อยๆปรากฏการ์ทั้งหลายจะกลายเป็นรถเดียวซึ่งไร้ความหมายแห่งความปรุงแต่งโดยความเป็นคู่เธอจะแจ้งชัดในปรากฏการ์ทั้งหลายว่า้วนคือการประสานกันเป็นหนึ่งเดียว ของการแสดงออกของตัวมันเองปรากฏการณ์และจิตเมื่อความว่างปรากฏในลักษณะเหตุและปัจจัยเธอจะแจ้งชัดในปฏิจจสมุขบาทการเกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยเหตุและปัจจัยในระหว่างการภาวนาเธอจะแจ้งชัดในปรากฏการณ์ทั้งหลายว่า ลว้วนมิได้อยู่นาที่ใดและทั้งหมดล้วนเป็นการแสดงออกของแก่นแท้แห่งความตื่นรู้การปรากฏขึ้นแม้เล็กน้อยของปรากฏการ์ทั้งหลายในช่วงภายหลังการภาวนาคือมัควิธถีแห่งการเพาะบ่มให้เจริญ เมื่อคงอยู่เช่นนี้ต่อไปเป็นเวลานานเธอจะบังเกิดความแจ้งชัดว่าทั้งสังสารวัฏและนิพพานนั้นล้วนมิใช่สองสิ่งที่แยกต่างกันนอกเหนือการเกิดขึ้นและดับไปมิได้ผสมปนกันและสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วมันมิได้อยู่ณที่ใดไร้การไปการมา และเป็นความตื่นรู้อยู่แล้วในตัวเองอุปสรรคในการรับรู้ทั้งหลายจะสลายไปหมดในทันใดนั้นทุกทุกสิ่งจะปรากฏขึ้นดังความตื่นรู้ตามธรรมชาติดั้งเดิมนี่คือมรรควิถีแห่งความสมบูรณ์สูงสุดซึ่งคือพุทธภาวะ ท่านหญิงโซเกียวทูลถามอีกว่าข้าแต่ท่านบรมครูแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นธรรมชาติของสรรพชีวิตที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมแต่เราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มันบรรลุสู่ความตั้งมั่นได้อย่างมั่นคงการปฏิบัติความตั้งมั่นบนเส้นทางแห่งมรรค การปฏิบัติตนในช่วงระหว่างวันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตนั้นจะอยู่ในช่วงภายหลังการภาวนาเธออาจจะเข้าใจสัมมาทิฏฐิอันละเอียดลึกซึ้งได้ด้วยปัญญาคิดพิจารณาแต่ถ้าเธอไม่ประพฤติตนให้สอดคล้องกับความหมายของมันเธอก็จะเช้ใช้ออกนอกทาง เธออาจจะภาวนาได้ดีแต่ถ้าเธอไม่สามารถดำรงอยู่เช่นนั้นได้ในช่วงทากิจกรรมต่างๆภายหลังการภาวนาทั้งหมดมันก็จะค่อยๆจืดจางหายไปดังนั้นจงเข้าใจไว้ให้ดีเถิดว่าเหตุและปัจจัยที่สำคัญที่จะเกื้อหนุนมันก็คือการละและหลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็นทางเสื่อมทั้งปวง และกระทาแต่สิ่งที่เป็นทางเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแม้เพียงเล็กน้อยนี่คือแก่นคำสอนที่สำคัญยิ่งของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่คือจุดสำคัญยิ่งแห่งความรู้ทั้งปวงหากว่าเธอได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระสัตรธรรมอันศักดิ์สิทธิ์จงอย่าได้ปล่อยให้ทาวารทั้งสามของเธอเช้ใช้ไปตามเส้นทางเดิมๆแม้เพียงชั่วขณะในการปฏิบัติตนระหว่างวันจงคงอยู่บนความตื่นรู้ที่ไร้การปรุงแต่งและปล่อยให้อายตนะทั้งหก มันรับรู้กันเองอย่างเป็นอิสระเหมือนกับความฝันและภาพมายาในยามค่ําคืนจงหลับให้สนิทด้วยการประสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมตาในสภาพอันอิสระจากความคิดปรุงแต่งใดๆจงชําระล้างประสบการณ์อันลวงหลอกของความฝันทั้งหลายนั้นให้บริสุทธิ์ และปรับเปลี่ยนมันเป็นหนทางแห่งมรรคที่ถูกต้องหรืออาจจะกล่าวได้ว่าจงหมั่นฝึกในเรื่องความเมตตาการุณาและโพธิจิตและฝึกตนให้คล่องตัวทั้งในขั้นแห่งการพัฒนาและขั้นแห่งความสมบูรณ์ในตอนเช้าและตอนเย็นจงปฏิบัติ ด, ด้วยการทำตนให้บริสุทธ ด้วยวิธีการทั้งเจ็ดและจงอย่าได้ละเลยการสักการะบูชาอื่นๆเช่นท h o m าอ Offering การทำตนให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการทั้งเจ็ดคือการกราบการสักการะบูชาการสำนึกผิดการยินดีในโพธิจิต การอ้อนวอนขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้หมุนกงล้อแห่งธรรมการอ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ทรงดำรงอยู่อย่าเพิ่งเสด็จเข้าสู่มหาปรินิพานและการอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์จงพิจารณาและสำนึกผิดในความผิดพลาดของตน ที่ได้กระทาลงไปในแต่ละวันอยู่เสมอและตามด้วยการสวดคาถา The Hundred s y l l a b e m a n t r a ด้วยความตั้งใจมั่นที่จะไม่กระทามันอีกจงเฝ้าระวังรักษาเหตุและปัจจัยสำคัญทั้งหลายอันเป็นเครื่องเรื่อนุนในการดำเนินจงพิจารณาให้มากซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้เห็นถึงคุณค่าและความยากลำบากในการที่จะได้เป okay. ็นอ uh ิสระเหนือการเกิดและการตายเหนือความไม่เที่ยงแท้ทั้งปวงและการพ้นจากความทุกข์ยากของสังสารวัตเมื่อเธอฝึกฝนตนเองในเรื่องโพธิจิตฝึกฝนตนเองในขั้นแห่งการพัฒนา เมื่อนั้นสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏหรือมีขึ้นจะกลายเป็นมันดาราแห่งองค์เทพแห่งพุท ธ, ธะของเธอสำหรับในขั้นแห่งความสมบูรณ์จงพักและผ่อนคลายอยู่ในสภาพอันไร้ซึ่งความหมายแห่งความเป็นคู่ใดๆอันเป็นการแสดงออกของธรรมชาติอันว่างเปล่าจากตัวตน เช่นเงาพระจันทร์ในน้ำและที่สุดจงอุทิศบุญคุศสนทั้งหมดที่ได้กระทาโดยมิต้องยึดติดสิ่งใดไว้หากเธอปฏิบัติเช่นนี้เธอจะสอดคล้องกลมกลืนกับยานทั่วไปทั้งหลายเธอจะดำเนินไปบนมาร์กที่ถูกตรงและเธอ จะบรรลุถึงรากฐานแห่งโยคะทั้งปวงการปฏิบัติโยคะทั้งห้าท่านหญิงโซเกียวได้ทูลถามอีกว่าข้าแต่พระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่หม่อมฉันใครอยากให้ท่านแนะนำ ถึงวิธีการจะตัดรากเง่าแห่งความทุกข์ทั้งปวงและสามารถใช้การเกิดและการตายเป็นหนทางในการปฏิบัติท่านคุรู้ตอบว่าโซเกีย so วฉันจะแสดงให้เธอเห็นถึงสิ่งสำคัญในการปฏิบัติโยคะทั้งห้าซึ่งเธอสามารถจะนำไปใช้ได้ตลอด ไม่ว่าเธอจะทำอะไร 1. โยคะในการนอนในขณะที่เรากำลังหลับมันก็เหมือนกับการตายดังนั้นให้รักษาสมายารักษาสีมสมาทานแบบพระสาวกของเธอให้ดีทำกระแสะแห่งการเคลื่อนไหวทั้งหลายของจิตเธอให้บริสุทธิ์ ตัดอารมณ์อันเป็นพิษทั้งหลายออกเสียและอย่าได้พยายามคิดใคร้ครวนหรือวางแผนเรื่องใดๆปล่อยให้ปรากฏการทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในเป็นอิสระโดยตั้งมั่นอยู่บนความเป็นเช่นนั้นเองอันเป็นสภาพแห่งการไม่ได้จดจ่ออยู่นสิ่งใดเลยซึ่งการนอนในสภาพเดียวกับในขั้นแห่งความสมบูรณ์ อันมิได้สร้างขึ้นเช่นนี้คือธรรมกายอันไร้ซึ่งความคิดปรุงแต่งคือการใช้ความตายเป็นหนทางในการปฏิบัติจงสลายปรากฏการทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในโลกและสัพพสวรความเป็นนายและลูกน้องลงกลางใจของเธอด้วยการเข้านอนในสภาพที่ไม่ได้จดจ่อสิ่งใดๆนี่คือ เธอกําลังใช้สิ่งที่เราสมมุติว่าความตายนั้นเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติ 2. โยคะในการตื่นโยคะในการตื่นนั้นคล้ายกับการเกิดใหม่ทันทีที่เธอตื่นขึ้นให้ระลึกให้แจ้งชัดถึง ความเตื่นรู้อันไร้การกีดกัน้นเช่นเดียวกับในขั้นแห่งความสมบูรณ์ซึ่งนี่จะทำให้การเกิดใหม่นั้นบริสุทธิ์ต่อไปเธอจะต้องเข้าใจสิ่งสำคัญอันเป็นเหตุและปัจจัยซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเกื้อกูลพลังที่สำคัญยิ่งแก่เธอไม่ว่าเธอจะปฏิบัติในแบบใด และมันเป็นตัวเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เธอที่ดีกว่าสิ่งอื่นๆตอนรุ่งสางจงกระจายส่วนที่บริสุทธิ์ของอาหารไปที่นาดิสและขับส่วนที่ไม่บริสุทธิ์ออกเสียให้หมดอาหารในที่นี้คือสิ่งจำเป็นที่หล่อเลี้ยงพลังชีวิตของมนุษย์อันได้แก่เลือด ลมหายใจลมปราณและจิตซึ่งได้แก่อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดการขับสวนที่ไม่บริสุทธิ์ออกให้หมดอาจทำโดยการไล่ลมปราณสามทางตามท่อลมปราณทั้งสมเมื่อภายในของนาดิสว่างเปล่าอย่างเต็มที่มันจะเป็นการง่ายแก่ข้อผิดพลาดและกุศลทั้งหลายทั้งภายใน ภายนอกหรือแม้ในส่วนเร้นลับเองก็ต่างที่จะเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงเมื่อเราทำให้นาดิสว่างเปล่าเราจะสามารถปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนี้นาดิสจะเป็นดั่งท่อของกระแสลมปราณกลางกระแสลมปราณจะกลายเป็นปัญญา ท่าทั้งหลายจะกลายเป็นความปีติสุขอันยิ่งและจิตของเธอจะตื่นรู้ในสภาพที่ไร้ความเป็นคู่อย่างเต็มที่นี่ก็เป็นสิ่งเดียวกับเป้าหมายของการรักษาโรคทางสมุนไพรพิธีกรรมในการรักษาโรคแบบต่างๆและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้า จึงบรรลุสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในตอนรุ่งสาม 3. โยคะในเรื่องอาหารโยคะในเรื่องอาหารนั้นหากเธอปฏิบัติอยู่ในขั้นแห่งการพัฒนาในสายมนตราศักดิ์สิทธ เธอจะต้องผ่านการอภิเสกมนตราศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเมื่อเธอรับประทานอาหารจงตั้งจิตให้อาหารนั้นเป็นด่งน้ำทิพสําหรับปัญญาสร้างจินตภาพถึงองค์เทพเทวดาในท้องของเธอกําลังเพลิดเพลินในอาหารนั้นน้ำทิพทั้งหลายได้สลายลงในเทวดานั้น หากเธอกําลังปฏิบัติอยู่ในขั้นตอนของการทำให้อุปสรรคทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์จงตั้งจิตให้อาหารนั้นเป็นด่างน้ำทิพส์สำหรับปัญญาให้อาหารที่รับประทานเข้าไปเผาผลาญเมล็ดพันธ์แห่งการเกิดในภูมิทั้ง6ที่มีอยู่ในรูปของตัวอาาักษรในหัวใจของเธอให้หมดสิ้นหากเธอกําลังปฏิบัติ อยู่ในขั้นตอนแห่งการรวมเป็นหนึ่งจงตั้งจิตให้อาหารนั้นเป็นด่างน้ำทิพย์สำหรับกุศโลบายและความรู้ต่างๆที่จะช่วยตัดความยึดติดในความเป็นคู่และรับประทานเข้าไปด้วยความรู้สึกแห่งการไม่แบ่งแยกหากเธอปฏิบัติอยู่ในขั้นแห่งความสมบูรณ์จงตั้งจิตให้อาหารนั้น เป็นปัญญาแห่งความเป็นหนึ่งระหว่างปรากฏการและความว่างเบิกบานและสอดคล้องในลักษณะธรรมตากำลังรับประทานธรรมตาโดยย่อจงผ่อนคลายและตั้งมั่นอยู่ในสมาธิแบบใดๆก็ได้ที่เธอปฏิบัติอยู่ด้วยความผ่อนคลายและเบิกบานด้วยวิธีนี้ ไม่ว่าอาหารที่เธอรับประทานเข้าไปจะเป็นอะไรมันล้วนจะกลายเป็นเหตุปัจจัยแห่งสมาธิของเธอทั้งสิ้น 4. โยคะแห่งการสืบเนื่องนักปฏิบตัติผู้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามมักควิธี ย่อมไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์ที่มารบกวนทั้งหลายเขากวนจะตระหนักรู้ได้เท่าฐานอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการพิเศษแล้วแต่กรณีและสามารถใช้มันเป็นประโยชน์ในหนทางแห่งการปฏิบัติของตนมูลฐานแห่งอารมณ์อันรบกวนทั้งหลายนั้นคือพิษทั้งห้าและต่อไปนี้ คือวิธีการที่เธอจะใช้มันเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติเมื่อราคาตัญหาอันรุนแรงเกิดขึ้นในใจของเธอจงมีสติตรรนกรู้ให้เท่าทานมันและพิจารณาถึงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของมันมันเกิดขึ้นย่าเมื่อมีเหตุปัจจัยภายนอกมากระทบ กระตุ้นให้จิตวันไหวดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นในตอนนั้นความเจ็บแสบของราคะตัณหาจะพลุ่งพล่านราวกับกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากในที่สุดจิตของเธอก็จะไหลาตามอำนาจของมันไปตามลีลาเดิมๆที่เธอเคยชินมาเพื่อที่จะตระหนักรู้เท่าทันลีลาของมัน จงเข้าใจเถิดว่าปัจจัยภายนอกที่เธอหลงไหลทั้งหลายนั้นทั้งหมดล้วนถูกสร้างไปโดยจิตของเธอเองทั้งสิ้นหากมันไม่เป็นเช่นนั้นมันย่อมเป็นไปไม่ได้ที่บางสิ่งที่เธอชอบที่เธออยากได้กลับเป็นสิ่งที่คนอื่นเกลียดชังแรงกระตุ้นที่ทำให้เธอดิ้นรนแสวงหามันนั้น เกิดขึ้นในจิตของเธอเองแล้วแสดงตัวออกมาเป็นตันหาราคาะเฉกเช่นลมที่เกิดขึ้นจากอากาศที่ว่างเปล่าตอนนี้คือวิธีการที่เธอจะเรียนรู้ดูกแก่นแท้ของราคะตันหาและใช้มันเป็นหนทางในการภาวนาจงผ่อนคลาย อยู่ในสภาพที่แรงดึงดูดของปัจจัยภายนอกกับแรงผลักดันให้เธอดิ้นรนแสวงหามันนั้นปราศจากความหมายแห่งความเป็นคู่เมื่อเป็นดังนั้นราคะปัญหาจะกลายเป็นแก่นสำคัญของการไร้ซึ่งความเป็นคู่ระหว่างความเบาเบิกบานและความว่างธรรมชาติดั้งเดิมของความว่างนั้น มีใช่สิ่งที่เกิดจากสิ่งอื่นที่แยกต่างไปจากการแสดงออกของมันซึ่งปรากฏขึ้นเป็นความเบาเบิกบานนี่คือความสมบูรณ์ของการใช้ราคะตัญหาเป็นหนทางซึ่งคือปัญญาแห่งการแยกแยะให้เธอสังเกตเรียนรู้แกนแท้ของความโกรธ และผ่อนคลายท่ามกลางมันเธอจะแจ้งชัดในความไม่แยกต่างกันระหว่างความกระจ่างแจ้งกับความว่างธรรมชาติเดิมแท้ของมันคือความว่างเปล่าการแสดงออกของมันคือความใสกระจ่างนี่คือความสมบูรณ์ของการใช้โทสะเป็นหนทางซึ่งคือปัญญาอันเป็นดุจกระจกเงา ด้วยการสังเกตเรียนรู้ธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของโมหะและผ่อนคลายอยู่ในสภาพเช่นนั้นเธอจะแจ้งชัดในความเตื่นรู้อันไร้ซึ่งการตรุงแต่งใดๆซึ่งธรรมชาติเดิมแท้ของมันคือความว่างเปล่าและการแสดงออกของมันคือการไร้ซึ่งความคิดนี่ คือความสมบูรณ์ของการใช้โมหะเป็นหนทางซึ่งคือปัญญาแห่งธรรมธาตุด้วยวิธีการเดียวกันเมื่อใช้ทิฏฐิมานะและความอิจฉาริษยาเป็นหนทางแห่งมักมันก็จะกลายเป็นปัญญาแห่งความเสมอภาพและปัญญาแห่งความสำเร็จตามลำดับ สรุปโดยย่อแล้วอากุศลทั้งสิบนั้นล้วนเป็นผลมาจากพิธทั้งหและพิธทั้งหก็มาจากพิธทั้งสามด้วยการแจ้งชัดในพิธทั้งสมนี้และสามารถใช้มันเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติได้เธอกำลังสืบทอดคําสอนทั้งหลายในพระไตรปิฎกและคงอยู่บนการฝึกฝนทั้งสไตรสิกขาคือ ด้วยการสังเกตเรียนรู้ในธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของราคะและผ่อนคลายอยู่ท่ามกลางสภาพเช่นนั้นเธอจะประสบกับความเบาเบิกบานซึ่งมันจะกลายเป็นวินัยปิดกเธอจะหนีห่างได้จากความอยากทั่วทั่วไปนี่คือศีละสิกขา ด้วยการสังเกตรเรียนรู้ในธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของโทสะและผ่อนคลายอยู่ท่ามกลางสภาพเช่นนั้นเธอจะประสบกับความกระจ่างแจ้งซึ่งมันจะกลายเป็นสุตันตปิดกเธอจะหนีห่างไดจากโทสะทั่วๆัวไปนี่คือสมาธิสิขาด้วยการสังเกตรเรียนรู้ ในธรรมชาติอันเป็นแกนแท้ของโมหะและผ่อนคลายอยู่ท่ามกลางสภาพเช่นนั้นเธอจะประสบกับสภาพแห่งการไร้ซึ่งความคิดซึ่งมันจะกลายเป็นอภิธรรมปิดกเธอจะหนีห่างได้จากโมหะทั่วๆวไปนี่คือปัญญาศิกขาเธอควรจะแจ้งชัดในอารมณ์อันเป็นเครื่องรบกวนทั้งหลายที่เกิดขึ้น และนำมันมาเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติด้วยวิธีการเช่นนี้ 5. าโยคะในช่วงเวลาและจุดสำคัญต่างๆมันมี5้าช่วงเวลาที่สำคัญคือ 5.1 ตอนรุ่งสามส่วนที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ของอาหารจะแยกจากกันจิตของเธอจะใสและคมร่างกายสดชื่นภูมิปัญญาจะกระจ่างชัดและผินทุจะเพิ่มขึ้นพลังของอากุศลและกุศลจะรุนแรงขึ้นดังนั้นมันจึงมีความสำคัญยิ่ง ที่จะต้องตระหนักรู้ให้เท่าทันความคิดแห่งราคะปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วนำมันมาใช้เป็นหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อสร้างกุศล 5.2 ยามใกล้ค่ำพลังของพินทุจะเสื่อมสลายลง และความรู้สึกกังวลจะเกิดขึ้นการปรากฏขึ้นของภาพมายาของเทวดาและผู้ถีจะมากขึ้นช่วงเวลานี้คล้ายกับช่วงแห่งความตายพลังของอากุศลและกุศลรุนแรงขึ้นดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักรู้เท่าทันความคิดกลัวหรือหวาดหวั่นที่เกิดขึ้น และใช้มันเป็นหนทางแห่งการสร้างกุศล 5.3 ยจามเมื่ออารมณ์รบกวนรุนแรงหรือท่ามกลางความคิดที่สับสนวุ่นวายหากเธอไม่สามารถใช้มันเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติได้มันอาจทำให้เธอทุกยากถึงชีวิตได้ หรืออาจทำให้เธอเสียสัจจะปณิธานของตนเองขวางกั้นความตั้งมั่นของเธอหรือทำให้เธอเชื้อใช้ออกนอกทางที่ถูกต้องดังนั้นจงตั้งใจที่จะตระหนักรู้ให้เท่าทานมันให้ได้และพยายามนำมันมาใช้เป็นหนทางแห่งการภาวนา 5.4. อย่าเมื่อความเตินรู้อันไรซึ่งความเป็นคู่ดั้งเดิมบังเกิดขึ้นและจิตของเธอเป็นหนึ่งเดียวกันกับแกนแท้แห่งสภาพอันไรซึ่งความคิดปรุงแต่งใดๆจงใช้สิ่งนี้บนหนทางแห่งกุศโลบายทั้งหลายในขณะที่เธออยู่ในขั้นตอนการใช้สิ่งสำคัญทั้งหลายในกรอบของแบบฝึกหัดเหล่านั้น จงปฏิบัติเช่นนั้นให้นานที่สุดโดยปราศจากการหวั่นไหวแม้ชั่วขณะซึ่งในตอนนั้นแรงบันดาลใจและความเชื่อมโยงของเหตุผลต่างๆจะก่อตัวขึ้นอันเป็นจุดที่สำคัญยิ่งดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สิ่งนี้ก่อตัวขึ้น การประสานกลุ่มกลืนกันของแรงบันดาลใจและความเชื่อมโยงของเหตุและผลในแบบอื่นอันเกิดจากความคิดปรุงแต่งทั่วไปนั้นไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมเนื่องเพราะสิ่งที่สร้างให้เกิดแรงบันดาลใจคือความคิดปรุงแต่งจากความเห็นต่างๆของตัวเธอเองมันจึงเป็นเหมือนกับความผิดพลาดในการใช้ยาเย็นไปต้านโรคของไอเยน็น 5.5 ในช่วงเวลาตายเธอย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกระแสกรรมของเธอเองที่เธอได้กระทำไว้โดยสิ้นเชิงดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่เธอจะต้องก่อให้เกิดกระแสทางด้านบวกอันเป็นการเคลื่อนหนุนให้เธอไปในทางที่ดีณนะขณะนั้นจงปล่อยความยึดมั่น ในการกระทำที่ผิดพลาดทั้งหลายที่เธอได้ทำไว้ทิ้งไปและนึกถึงแต่กุศลกรรมและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทำจิตให้ตั้งมัน่นอยู่กับการปฏิบัติที่เธอเคยตั้งมั่นได้และในทุกๆขณะจงอิสระจากประสบการณ์อันลวงหลอกทั้งหลายที่ปรากฏโดยย่อคือในเวลานั้น มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เธอจะต้องก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับเหตุปัจจัยทางด้านกุศลไว้ตลอดเวลาการขจัดอุปสรรคทั้งหลายออกไปจากทาง ท่านโซเกียวได้ถามอีกว่าข้าแต่พระบรมครูควรหรือไม่ที่โยคีผู้ยังไม่สามารถบรรลุสู่ความตั้งมั่นได้จะต้องขจัดอุปสรรคเครื่องขวางกั้นทั้งหลายและบุคคลจะขจัดอุปสรรคทั้งหลายออกไปจากทางได้อย่างไรท่านครูปัมสัมภาวะทรงตอบว่า ในกรณีนี้มีสิ่งสําคัญอยู่สีเรื่องคือการขจัดอุปสรรคอันเกิดจากสภาวะชั่วคราวบางอย่างในสมาธิการขจัดอุปสรรคอันเกิดเนื่องมาจากความเจ็บป่วยและความเจ็บปวดการขจัดอุปสรรคอันเกิดจากความคิดปรุงแต่งเทพเทวดาและมารทั้งหลายในจิตการขจัดอุปสรรค อันเกิดจากกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นชั่วคราวอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม 1. การขจัดอุปรสรรคอันเกิดจากสภาวะในสมาธิความทื่อทึบหมายถึงการที่เราไม่สามารถจะทำให้พลังแห่งความตื่นรู้ส่องสว่างออกมาได้ การไม่สามารถจะทำให้ความเตินรู้นั้นกระจ่างชัดความทื่อทึบนั้นมักจะผสมปนอยู่กับการนอนเนื่องเพราะความงอกง่วงความหวั่นไหวหมายถึงการที่ความรู้สึกของเรานั้นเคลื่อนออกไปสู่วัตถุอื่นหรือไปไล่ตามบางสิ่งการเคลื่อนออกหมายถึงความตั้งใจของเธอนั้น ไม่สามารถมั่นคงอยู่ได้ความฟุ้งคือการไปจับอยู่กับการรับรู้สิ่งอื่นความไม่สามารถสงบลงตัวได้คือการเงียบอยู่ได้ชั่วเวลาสั้นๆแต่ไม่สามารถจะคงอยู่ได้นานๆกระแสอันพลุ่งพล่านภายใน คือความตั้งใจของเธอวันไหวโดยมองไม่เห็นในขณะที่เธอเองก็คิดว่ามันสงบอยู่ความหวันไหวนั้นมีสองชนิดคือวันไหวเพราะสิ่งอื่นหมายถึงความรู้สึกตัวของเธอหวันไหวเนื่องเพราะสิ่งอื่นๆที่แวดล้อมเธอวันไหวโดวยตัวเองหมายถึง มันมีความคิดอันละเอียดอยู่ภายในเมื่อจิตเริ่มจะตั้งมัน่นเช่นอืมมันสงบมันเบาสบายทั้งความทื่อทึบและความว่อนวหวนั้นเป็นความผิดเพี้ยนเบื้องต้นที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถตั้งใจให้มั่นอยู่ได้หรือเกิดจากการจมไปกับความรู้สึกเฉยเมย เมื่อเธอรู้สึกทื่อทึบให้กําหนดลงไปที่กลางใจของเธอให้โครงการกําหนดอย่างตั้งมั่นไว้ก่อนจนจิตเริ่มเป็นหนึ่งไม่ซัดสายโดยวิธีนี้จะทำให้เธอไม่พ่ายแพ้ต่ออำนาจของความทื่อทึบหรือความเกียดคร้านแต่จะคงอยู่ในทางได้เมื่อเธอรู้สึกหว่นไหว ให้กำหนดลงไปตรงจุดใต้สะดือคงกำหนดอย่างตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นและภาวนาอย่างนั้นอยู่โดยไม่ให้ซักสายด้วยวิธีนี้เธอจะมีจิตเป็นหนึ่งและจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความหวั่นไหวหรือความฟุ้งซ่านโดยทั่วไปหาความตั้งใจของเธอนั้นแน่วแน่เป็นหนึ่ง และเธอสามารถรักษามันไว้ได้เช่นนั้นให้สมบูรณ์เธอจะไม่มีทางเกิดความหวั่นไหวหรือทื่อทึบได้เลยคราวนี้เรามาดูการใช้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาธิให้เป็นหนทางแห่งมาก สมาธิที่ดีประกอบด้วยความเบาเบิกบานความกระจ่างแจ้งหรือสภาพการไร้ซึ่งความคิดปรุงแต่งหรืออาจมีความรู้สึกเมตตาการุณาหรือการสละละวางหรือหนักแน่นเข้มแข็งความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ทั้งหมดล้วนเป็นประสบการณ์อันเป็นรสชาติของผลที่ตามมาของสมาธินั้น ซึ่งมันจะประกอบด้วยอาการทางกายวาจาอันละเอียดภายในซึ่งประสบการ์เหล่านี้เป็นอาการของลมปราณที่เคลื่อนผ่านทางปากซึ่งอันตรายของมันคือจะทำให้เกิดความหลงทะนงตนขึ้นได้ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องประกอบตนไว้ด้วยหลักสำคัญยิ่ง คือเธอต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องที่เข้าใจอย่างแจ้งชัดว่ามันเป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราวของเหตุและปัจจัยอันเกิดขึ้นจากจิตที่ยังหลงยึดติดในความเป็นคู่แล้วจงสังเกตลงไปในแก่นแท้ของมันคงอยู่ในสภาพเช่นนั้นอย่างสืบเนื่องโดยไม่ต้องสนใจในความยากลำบากและไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในมัน เมื่อเป็นเช่นนั้นประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นแก่นสารของความตื่นรู้อันไร้ซึ่งความเป็นคู่จงคงอยู่เช่นนั้นสืบไปเรื่อยๆโดยปราศจากการยึดติดในมันหรือพยายามฟูงฟักรักษาประสบการณ์อันชั่วคราวนั้นให้คงอยู่ หากเธอมีประสบการณ์กับความรู้สึกปิติซึ่งมักจะเกิดจากการที่ความยึดติดถูกตัดขาดไปในทันทีทันใดหรือหากเธอรู้สึกตื้นตันน้ำตาร่วงเนื่องเพราะความเมตตาการุณาบังเกิดขึ้นในจิตใจของเธอจงเข้าใจให้ดีไว้ว่าจุดสำคัญของสัมมาทิฏฐิคือการตระหนักรู้ได้เท่าทัน จงอย่าได้หลงจมไปในรสชาติของมันแต่แค่ให้โครงการปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปบางครั้งประสบการณ์ที่เกิดอาจเป็นความพิเศษที่เกิดจากจิตวิญญาณชื่อเกียวโปเธอจงอย่าได้หมกมุ่นอยู่กับการฟูมฟักสิ่งพิเศษเหล่านั้นและฉันจะแนะนำให้เธอรู้จัก ใช้ประสบการณ์ที่เป็นอันตรายเหล่านี้เป็นเครื่องเสริมในการทำสมาธิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเช่นความเจ็บป่วยความเจ็บปวดเจ็บหัวใจหรือมีความอ่อนเพลียอย่างมากจงเข้าใจไว้เถิดว่ามันเป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราวเท่านั้นจงอย่าได้ท้อใจ หรือคิดว่ามันเป็นเรื่องของความโชคร้ายจงปล่อยให้สิ่งที่ถูกรับรู้และจิตผู้รับรู้นั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันและเป็นอิสระจากมันจงอย่าได้คิดว่ามันเป็นความผิดพลาดหรือเป็นสิ่งที่ดีแต่แค่ปล่อยให้มันเกิดเองเป็นเองและเป็นอิสระกันเองของมัน ตอนนี้ฉันจะอธิบายถึงวิธีการที่จะยกระดับประสบการณ์เหล่านี้ให้มันเป็นยิ่งกว่าความเป็นแค่เพียงเครื่องช่วยหรือเครื่องบันทอนในรากฐานทั้งหมดปรากฏการแห่งสังสารวัฏและนิพพานนั้นยังคงเกิดขึ้นของมันเองในรูปลักษณ์ของเมเล็ดพันธุ์สำหรับในกายแห่งวัชระ มันจะคงอยู่เป็นตัวอักขระในนาดิและปราณจิตต่อมาเมื่อเธอแจ้งชัดในหน้าตาตามธรรมชาติของสภาพที่แท้จริงและกำลังปฏิบัติในขั้นของการใช้พลังสำคัญของสมาธิปมของนาดิจะรวมตัวกันปราณจิตจะใสกระจ่างอนุสัยความเคยชินทั้งหลายจะถูกทำให้บริสุทธิ์ และเธอก็จะสามารถเข้าสู่จุดเริ่มต้นของคุณสมบัติแห่งการรู้แจ้งหลุดพ้นเมื่อเป็นดังนั้นประสบการณ์อันหลากหลายของสังสารวัฏและนิพพานก็จะบังเกิดขึ้นและหากลมปราณนั้นสามารถหาทางออกของมันได้มันก็จะออกไปทางนั้น แต่หากเธอเริ่มก่อความคิดเห็นขึ้นมันก็จะแสดงตัวและหากเธอปล่อยประสบการณ์เหล่านั้นด้วยการวางเฉยมันก็จะไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทางแห่งมรรคได้จงเข้าใจไว้เถิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพียงประสบการณ์ชั่วคราวเท่านั้น จงอย่าได้หมายมั่นสิ่งใดว่าเป็นความผิดพลาดจงอย่าได้มองว่ามันเป็นสิ่งดีจงปราศจากความคาดหวังความกลัวและความสงสัยลังเลจงฝึกที่จะปล่อยให้ประสบการณ์ชั่วคราวเหล่านี้เกิดเองและอิสระกันเองตามธรรมชาติของมันด้วยวิธีเช่นนี้ ประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจะกลายเป็นเครื่องช่วยเสริมให้แก่เธอเมื่อเวลาที่เธอฝึกเก็บตัวผู้เดียวจิตจะอ่อนโยนมันจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณและนักภาวนานั้น จะเข้าสู่ความสงบเย็นได้ง่ายและยาวนานแต่ในเวลาอื่นจิตจะฝึกได้ยากการปฏิบัติทางจิตวิญญาณจะจืดจางไปความตั้งใจจะอ่อนลงและนักภาวนานั้นจะรู้สึกเป็นทุกข์และผิดหวังประสบการณ์อันหลากหลายทั้งสูงและต่ำ จะบังเกิดขึ้นในเวลาที่สังสารวัตรและนิพพานนั้นยังแยกต่างกันแทนที่จะรู้สึกทนงตนหรือท้อใจจงจับหลักสำคัญที่ว่าปล่อยให้มันเป็นของมันเองโดยอย่าได้ไปหลงยึดติดมันไว้ให้ ด, ดีเมื่อเป็นดังนี้เธอจะสามารถใช้มันในทางแห่งมรรคของเธอได้ จงเก็บตัวภาวนาโดยไม่ย่อท้อและปราศจากความกวัดแกงไปกับสิ่งยั่วยวนแล้วทุกๆสิ่งจะกลายเป็นเครื่องเสริมพลังให้กับเธอ 2. การขจัดอุปสรรค อันเกิดเนื่องมาจากความเจ็บป่วยและความเจ็บปวดมีประเด็นสําคัญหอย่างคือพื้นฐานที่ทําให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเหตุที่ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้มันรุนแรงขึ้นผลยาเมื่อมันสุกงอมและวิธีการรักษามัน ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยมูลฐานที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในในลักษณะของการประกอบขึ้นของท่อลมปราณและนิสัยความเคยชินทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากกรรมชั่วที่เธอได้กระทำไว้แล้วสะสมเป็นอวิชชาและความหลงยึดติดโดยความเป็นตัวเรามันถูกกระตุ้นให้รุนแรงขึ้นด้วยอารมณ์อันรบกวน ความคิดปรุงแต่งลมปราณหรือแม้กระทั่งเทพเทวดาและพูดผีเมื่อมันสุกงอมมันจะให้ผลเป็นโรคภัยไข้เจ็บ404ชนิดซึ่งแยกโดยหลักได้เป็นโรคของความร้อนและโรคของความเย็นโรคของเสมหะธาตุความเจ็บปวดและอาการบวม ว่าโดยย่อความเจ็บป่วยนั้นมีอวิชาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเป็นเหตุหลักและมีความคิดปรุงแต่งด้วยอำนาจความหลงเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยส่งเสริมความเจ็บป่วยทั้งหลายจะมีองค์ประกอบ5อย่างคือเหตุมูลฐานที่ซ่อนเร้นอยู่คืออกุศลกรรมที่เป็นเหตุหลักอารมณ์อันรบกวน เป็นปัจจัยส่งเสริมความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องโยงใยผูกพันลมปราณเป็นที่ประชุมเทพเทวดาและมารเป็นปัจจัยสำทับตัวอย่างเช่นหากมีโรคอันเนื่องจากความเย็นเกิดขึ้นมันเป็นเพราะมีราคานุสัยเป็นมูลฐานหลัก และมันถูกกระตุ้นด้วยสถานการณ์แห่งความอยากที่รุนแรงเครื่องโยงใหญ่คือความคิดปรุงแต่งที่ว่าฉันป่วยฉันทำอะไรไม่ได้ฉันจะทำอย่างไรดีหากฉันมีอาการแย่ลงซึ่งนี่จะทำให้ลมปราณที่ไหลลงเพื่อขจัดสิ่งไม่บริสุทธิ์ทำงานได้แย่ลง ซึ่งจะเปิดช่องให้กลับมาในเพศหญิงเข้ามามีอิทธิพลในทำนองเดียวกันมเมล็ดพันธุ์แห่งโทสะเป็นเหตุมูลฐานถูกกระตุ้นด้วยสถานการณ์ของความโกรธที่รุนแรงและโยงใยกับความคิดวุ่นวายสับสนอันมีผลให้ลมปราณที่มีหน้าที่ปรับสมดุลธาตุไฟทำงานแย่ลง ทำให้เปิดช่องแกมาในเพศชายเข้ามามีอิทธิพลมีผลทำให้เกิดโรคของความร้อนมเมล็ดพันธุ์แห่งความหลงเป็นมูลเหตุพื้นฐานถูกกระตุ้นด้วยความหลงที่รุนแรงโยงใหญ่กับความคิดปรุงแต่งอันสับสน ทำให้ลมปราณที่มีหน้าที่ปรับความสมดุลทำงานได้แย่ลงเปิดช่องให้พวกจิตวิญญาณบนพื้นดินเข้ามามีอิทธิพลมีผลให้เกิดโรคของเสมหะธาตุมเมล็ดพันธุ์ของความอิจฉาเป็นมูลเหตุถูกกระตุ้นด้วยความอิจฉาริษยาที่รุนแรง โยงใยกับความคิดปรุงแต่งอันสับสนทำให้ลมปราณที่คำจุนชีวิตทำงานแย่ลงเปิดช่องให้มาในชั้นเจนเข้ามามีอิทธิพลทำให้เกิดโรคของความปวดมเมล็ดพันธุ์ของความทนงตนเป็นมูลฐานถูกกระตุ้นด้วยความเยื่อยิ่งอวดดีอันรุนแรง โยงใหญ่กับความคิดปรุงแต่งมากมายทำให้ลมปราณที่แทรกซึมอยู่ทั่วกายทำงานแย่ลงเปิดช่องให้มานชั้นเกียวโปเข้ามามีอิทธิพลเป็นผลให้เกิดโรคบวมเนื่องเพราะมูลเหตุของมันคืออวิชาความหลงเธอจึงต้องแจ้งในปัญญาญาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะรักษาโรคเหล่านี้เนื่องเพราะปัจจัยกระตุ้นคือกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเธอจึงควรต้องรักษาใจให้สงบเนื่องเพราะสิ่งที่โยงใหญ่คือความคิดปรุงแต่งอันมากมายดังนั้นเธอจึงควรตัดให่อันรุงรังของความคิดนั้นออกเสีย เนื่องเพราะจุดรวมของมันอยู่ที่ลมปราณเธอจึงควรกําหนดตั้งมั่นอยู่ที่จุดสําคัญของลมปราณนั้นๆสิ่งที่คอยมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังคือเทพเทวดาและมานดังนั้นเธอต้องละวางความคิดปรุงแต่งเรื่องมานนั้นเสียด้วยการกระทำเช่นนี้เธอจะปราศจากโรคทั้งปวง การรักษาที่แก่นของความเจ็บป่วยการรักษาที่แก่นของความเจ็บป่วยมีอยู่สามจุดที่สำคัญคือมันเป็นการดีที่สุดที่จะปล่อยให้มันปลดปล่อยด้วยตัวของมันเองสิ่งที่ดีรองลงมาคือการละวางสิ่งสำคัญที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยซึ่งเกี่ยวกับการภาวนา หรือการขจัดจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องสุดท้ายคือการรักษาโดยการสร้างจินตภาพ 1. การปล่อยให้มันปลดปล่อยโดยตัวของมันเองจงอย่ากินยารักษาแม้เพียงเม็ดเดียว อย่าได้ท่องบนมนตราเพื่อการรักษาแม้เพียงหนึ่งคำอย่าได้มองว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นความไม่ดีหรือเป็นสิ่งดีปล่อยให้ใจของเธอเป็นอิสระโดยตัวของมันเองโดยปราศจากการปรุงแต่งปล่อยวางและดำรงอยู่อย่างสบายสบายตามธรรมชาติโดยปราศจากความคิดที่จะให้คุณค่าความหมายอะไรกับมัน ด้วยการกระทําเช่นนี้การไหลของกระแสความคิดจะถูกตัดขาดบังเกิดเป็นความตื่นรู้อันปราศจากความคิดปรุงแต่งและความเจ็บป่วยก็จะถูกขจัดไปความเจ็บป่วยและความคิดปรุงแต่งทั้งหลายจะถูกปลดปล่อยไปพร้อมๆกันสิ่งสำคัญคือในช่วงเบื้องต้นจงอย่าได้ตามความเจ็บป่วย ในช่วงหลักของการปฏิบตัติจงอย่าได้เลี้ยงความเจ็บป่วยในช่วงสรุปสุดท้ายจงอย่าได้จมลงไปในความรู้สึกว่าเจ็บป่วยดังเช่นนี้เธอจะตัดขาดจากความเจ็บป่วยเก่าและดำรงอยู่อย่างไม่เดือดร้อนจากความเจ็บป่วยอันใหม่ 2. การละวางด้วยการภาวนาหรือการขจัดจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องมีอยู่3มตอนคือปรับเปลี่ยนสภาพสิ่งที่เป็นภัยตัดขาดมันโดยตรงและทำให้มันสมดุล 2.1 น ปรับเปลี่ยนสภาพสิ่งที่เป็นภัยจงมองความเจ็บป่วยด้วยความขอบคุณพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเจ้าช่างวิเศษเหลือเกินความเจ็บป่วยทําให้ฉันสามารถตัดขาดไม่เหลือความคิดเรื่องจิตวิญญาณทั้งหลายทําใจให้ร่าเริงกินอาหารที่จะเป็นภัยกับความเจ็บป่วยนั้น และปฏิบัติตนในทางตรงกันข้ามที่จะทำให้มันหายต่อไปให้กินเนื้อที่ยังอุ่นๆโดยไม่ได้ต้มเป็น solid fragrance และดื่มเครื่องดื่มที่มีกลิ่นฉุนเป็น liquid fragrance แล้วด้วยการทำสมาธิภาวนาที่ลมปราณโรคในส่วนบนของร่างกายจะถูกอาเจียนออก และโรคในส่วนล่างจะถูกถ่ายออกวิธีการขจัดความเจ็บป่วยเช่นนี้คือยาแก้ที่จะตัดขาดจากมัน 2.2 การตัดขาดมันโดยตรงทำสีหน้าให้สดใสหยุดการร้องไห้คร่ำครวญ ตัดขาดความวิตกกังวลความหวังและความกลัวที่จะคิดว่าเมื่อฉันป่วยและอ่อนแอหรือถ้าฉันตายฉันจะทำอย่างไรดีจงตัดขาดความวิตกกังวลให้หมดด้วยการไม่สนใจใหญ่ดีมัน 2.3 ปรับให้มันสมดุลเธอจะต้องใช้เคราะห์ที่เกิดให้เป็นหนทางแห่งมรรคทันทีที่มันเริ่มเกิดขึ้นจงทำความรู้สึกตัวของเธอให้เด่นชัดและเตือนสติตัวเองให้ดำรงอยู่บนทางแห่งการปฏิบตัติไม่ต้องภาวนาด้วยการสร้างจินตภาพใดๆเพื่อต้านความเจ็บป่วย และไม่ต้องใช้ยาหรือพิธีกรรมในการรักษาใดๆแต่ให้เฝ้าสังเกตลงไปในมันว่าใครกันที่กำลังเป็นผู้เจ็บป่วยอยู่จงผ่อนคลายอยู่เช่นนั้นอย่างสืกเนื่องเมื่อมันเกิดประสบการณ์ขึ้นความเจ็บป่วยจะอันตรธานไปของมันเองและหากความรู้แจ้งบังเกิดขึ้น มันจะเริ่มปรากฏเป็นความตื่นรู้อันว่างเปล่าแต่ถึงแม้มันยังไม่เกิด อ, อย่างน้อยเธอก็จะไม่ทุกข์ทรมานกับความคิดในเรื่องความเจ็บป่วยนั้น 3. การรักษาโดยวิธีการสร้างจินตภาพ สร้างพลังแห่งโพธิจิตขึ้นภายในนั่งในท่าขัดสมาธิแล้วสร้างจินตภาพว่าตนเป็นองค์เทพยิฐแดงสร้างภาพตัวอัคระหุงสีน้ำเงินดำที่บริเวณจุดกลางใจขนาดเท่าเม็ดข้าวบาเล่แต่หากมันเป็นโรคจากความร้อน ให้สร้างภาพหุงสีขาวขนาดเท่าเม็ดข้าวบาเล่โผล่ออกมาจากหุงกลางใจของเธอและวนรอบอยู่ทั่วร่างกายส่วนบนมันจะช่วยขจัดความเจ็บป่วยให้หมดไปเหมือนกับแม่เหล็กที่ดูดเอาเข็มที่ติดไปหมดแล้วนำมันโผล่ออกไปด้านบนของศีสษะและจางหายไปในอากาศ การสร้างจินตภาพเช่นนี้จะช่วยขับลมปราณขึ้นไปด้านบนหากเป็นโรคของความเย็นให้สร้างจินตภาพเป็นหุงสีแดงขนาดเท่าเม็ดข้าวบาเล่ปรากฏขึ้นจากหุงที่กลางใจนั้นและวนรอบอยู่ทั่วร่างกายส่วนล่างแล้วโผล่ออกทางช่องเปิดด้านล่าง จินตนาการว่ามันหายไปในใจกลางของโลกหากเธอทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บป่วยที่แขนหรือขาเช่นปวดบวมแดงร้อนให้สร้างจินตาภาพเป็นหุงสีดำตรงบริเวณของโรคจินตนาการว่ามันได้รวบรวมเอาความเจ็บป่วยทั้งหมดนั้น ออกมาทางจุดที่บวมนั้นหรือออกมาทางปลายนิ้วก็ได้สำหรับโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยให้สร้างจินตภาพเป็นหุงสีน้ำเงินเข้มปรากฏขึ้นจากหุงที่กลางใจของเธอมันได้รวบรวมเอาความเจ็บปวดทั้งหมดทั่วทั้งกายเธอออกไปกับลมหายใจทางจมูกของเธอ แล้วจางหายไปในอากาศโดยทั่วไปเมื่อเธอผ่อนคลายอยู่ด้วยความวางเฉยจิตของเธอควรจะปราศจากความคิดอย่างสมบูรณ์เธอสามารถปลดความสนใจในความเจ็บป่วยนั้นให้หลุดออกไปและเธอจะปราศจากความสงสัยลังเลว่า เราจะใช้การจินตภาพแบบใดหรือมันเป็นเพราะจิตวิญญาณใดการสร้างจินตภาพนั้นจิตของเธอจะกลายเป็นหนึ่งมันจึงสำคัญที่จะต้องวางใจและตั้งมั่นอยู่บนจุดสำคัญทั้งสามนี้ 3. าการขจัดอุปสรรคอันเกิดจากความคิดปรุงแต่งเทพเทวดาและมารทั้งหลายในจิตเมื่อเธอมีประสบการณ์บ่อยๆซึ่งมันเกิดจากมันมีการเชื่อมโยงกัน ร, ระหว่างโครงสร้างของท่อรวมปลานของเธอกับการเคลื่อนย้ายของกระแสความคิด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความคิดปรุงแต่งแห่งความเป็นคู่เธอจะถูกโจมตีด้วยปรากฏการณ์ที่ดูพิเศษที่มักเรียกว่าพลังของผู้ผีและเกิดความชงนสงสัยเมื่อความรู้สึกหวาดหวั่นหรือกลัวเกิดขึ้นจงตระหนักรู้เท่าทันให้เร็วที่สุดแล้วใช้มันมาเป็นหนทางแห่งมัก แต่หากเธอปล่อยให้มันเตลิดเปิดเปิงหรือเธอตกอยู่ใต้อำนาจของมันมันจะกลายเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการปฏิบัติของเธอยิ่งกว่านั้นถ้าเธอไม่ใช้อุปสรรคทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะสูงหรือต่ำก็ตามมาเป็นหนทางในการภาวนาแล้วละก็มันจะกลับเพิ่มพลังมากขึ้น และขวางก้านการปฏิบัติของเธอมันจึงมีความสำคัญยิ่งในการใช้อุปสรรคทั้งหลายนั้นเป็นหนทางสำหรับการภาวนาโดยพื้นฐานแล้วการที่จะข้ามพ้นจากพยันตรายอันเป็นสิ่งมัวหมองซึ่งเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเธอเองนั้นคือการใช้มันเป็นหนทางแห่งการภาวนา ประสบการณ์แห่งสิ่งพิเศษทั้งหลายและพูดผีปีศาจที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันล้วนเป็นเพียงประสบการณ์จากความผิดพลาดของจิตของเธอเองทั้งสิน้นมันมิได้มีเทพเจ้าหรือมารหรือพูดผีปีศาจภายนอกตัวเธอเลยนาคณะที่เธอประสบกับอำนาจของพูดผีปีศาจ หรือสิ่งวิเศษทั้งหลายจงใช้สิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่อย่างจริงแท้มันว่างเปล่าจากการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อใดก็ตามที่สิ่งวิเศษเกิดขึ้นจงอยู่ในท่าที่เธอใช้ภาวนาแล้วสังเกตดูไปที่ความมีอยู่ของมัน เมื่อนั้นความคิดปรุงแต่งทั้งหลายจะสลายกลายเป็นความตื่นรู้อันว่างเปล่าทันทีที่ความคิดของเธอกลายเป็นความตื่นรู้อันว่างเปล่าเธอจะบังเกิดความมั่นใจที่จะตัดขาดความกลัวและความหวาดหวั่นทั้งปวงแม้หมู่มานจะห้อมล้อมเธอราวกับศัตรู มันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเธอได้แม้เส้นผมรวมทั้งมันไม่สามารถจะสร้างอุปสรรคใดๆขวางกั้นเธอจงให้กําลังใจตนเองด้วยการคิดว่าอุปสรรคทั้งหลายไม่สามารถทำอะไรฉันได้แต่หากเธอมีจิตใจอ่อนแอแล้วหลงคิดว่าฉันกลัวที่จะเจอกับอุปสรรคเหล่านี้เช่นนี้ มันจะเป็นการเปิดรับมารประสบการณ์ทั้งหลายเกี่ยวกับเทพเทวดาและปีศาจล้วนเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งของเธอเองมันไม่ได้มีอยู่แม้อนูเล็กๆภายนอกจิตของเธอจงตัดกระแสะแห่งความคิดปรุงแต่งนั้นเสียมอบขันท้าของเธอให้เป็นเครื่องบูชา เสียสละกายของเธอให้เป็นอาหารปลดเปลื้องความยึดติดในตัวตนของเธอจงตระหนักถึงสัมมาทิฏฐิที่สำคัญแล้วดำเนินการปฏิบัติต่อไป4 การขจัดอุปสรรคอันเกิดจากกิเลสที่เกิดขึ้นคนเราง่ายที่จะบังเกิดความมัวหมองขึ้นในใจเช่นอย่าเมื่อได้คบหาหรือสนิทชิดเชื้อกับบุคคลที่ไม่คงอยู่ในคุณธรรมผู้ที่ทุศีลผู้ไม่รักษาคำสัตย์ปฏิญาณของตนหรือผู้ที่กระทาในสิ่งไม่ดี การได้สัมผัสกับผู้ที่เป็นโรคเรื้อนผู้ที่ลูกหลานของเขาเพิ่งจะตายไปหรือบุคคลที่มีจิตใจชั่วร้ายหรือการอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยการกระทำชั่วมีปีศาจสิงสถิตเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือบ้านที่ไม่รักษาศีล เธอจะแปดเปื้อนเมื่อกินอาหารที่เป็นของผู้ที่มีจิตใจเกลียดชังผู้ผิดศีลผิดธรรมหรือผู้ที่มีการกระทำอันชั่วช้าร่างกายของเธอจะเกิดความเจ็บป่วยสมาธิเธอจะอ่อนกำลังและเทพธรรมบาลจะไม่พึงพอใจ อาการของการที่ศีลและสมายาของเธอมัวมองคือเธอจะฝันว่าเธอตกเขาหรือเดินทางลงเขาเมื่อเธอมัวมองโดยผู้ที่คบหาเธอจะฝันว่าเธอเปลอะเปื้อนเพราะความสกปรกของผู้อื่นเมื่อมัวมองโดยที่อยู่อาศัยเธอจะฝันว่าได้เข้าไปในห้องที่สกปรก เมื่อเธอแปดเปื้อนโดยอาหารเธอจะฝันว่าเธอได้กินอาหารที่สกปรกวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาอาการเหล่านี้คือการเข้าพิธีมนตราพิเศษและการสดาน่าที่ดีรองลงมาคือการสวดธารณีมนตราวิธีที่สาม คือการประกอบพิธีกรรมเพื่อการชำระล้างโดวยวิธีการทั้งหมดนี้ให้เธอพยายามทำให้มันดีที่สุดที่จะเอาสิ่งมัวหมองทั้งหลายออกเสีย